บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านทั้งทังหลายกําลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษารกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นอนาปาโนสติกรรมฐานตากว่าท่านทั้งหลายเว้นนาปาโนสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสําหรับท่านเพราะว่าอนาปาโนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรรมฐานระงรับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่จเจริญธรรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายฉันได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังม า, าบ่อยๆ อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใหญ่มีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการหกปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรม่อยู่แล้วแต่ถ้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทาำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็ดน้อยยังห่วงชีวิตทําไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพาะเรียเจ้าได้ยังไงจะนั้นคนประเภทเหยียบเกี่กยงไม่ฟอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเด็ดว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบือนนายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจำแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอวันดาทนายหลยสังวรเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกำลังผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอารียเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัสผล เรืคนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบนรลุช้าในขึ้นกับกำลังใจกำลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุชา้าประเภทพ่อไปเอาไหนไม่ได้ตกมรรคไปเลยแล้วตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหรันเป็นขอไม่อยาก อย่าไปติดตาราให้มากอเนกชาดิสังขาราสังทาวิส um ังไรหรนอว่าอวิชาปฏิยาสังขาราสังขารวัฏดาปฏิยาบิญญา낭บิญญาณปฏิยาไล่ออกไปเถอะไล่ส่งเดเป็นนกแก้วนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบัติที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาติก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพาระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตร์มาครั้งหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระต ก, กรรมถานกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจนีเวลาอ ง, งาสมเด็จพระบรมโลเกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบระมศ า, าสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทธังหลายเธอเวลาสารีบุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงค์นั่นหลายเรานั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธยอมขาสมเด็จพระบระมศ า, าสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีหมดเสียก่อน ทัางนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินนวรส่งทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ทั้งหลายเข้าเรีหาพระสารีบุตรและจึงนมาเสการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอท่านหลายก็ทัดบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดตัวสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวเนเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรญัตชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเระสมนั้นหลายก็กล่าวเปียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ยังไงดีพระเจ้าค่า พระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บุตรเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื้อจงจําไว้เราสมนั่นหลายเรานั่นก็จำไว้คําว่าความดับไม่มีเชื้อนี่หมายความว่าสัญญอเท่าสิบปรการจะไม่มีเชื้อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตอีกเรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายยังถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงฆ์ดา บ, บัญจะปฏิบัติยังไงเป็เจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านันหลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนาแน่นไป็ยกิเลสปราชนจะปฏิบัติตามคำสอนสอนขององค์สมเด็จพระปรมลโลกเชิให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสกายาติทิจเือคือพิจารณาว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันว่ากายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นตปสุดาบัน บ, บรรดาประสงค์ทั้งหลายเรานั้นจึงกระพริบถอนถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงค์ดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิจธาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสนุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่างหลายว่าท่าชินนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั้นแหละที่เราเรียกกัว่าสกายญาิติ วารูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่โกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อารมณ์จิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหลันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญหาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นพรอราหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วได้อย่างนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตาราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตาราให้มันเลยแต่ผมนั่งท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ยถ้าจะาน้าหนักตัวผมไม่ช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอหรือไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย มืสใสผมเป็นคนชอบคนควาทนสศีเล่มนั้นพลาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันวุวัเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันโยนตรงนี้จบกันยามพิเศษดายก็คือสัญโยชิสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญโยติสิบก็คือตัดตัวแรกในแกสกายทิทิอันนี้ในขันธวัต ปรากฏว่ามีพราหมณ์ถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามหันกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช้อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสเดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษารี่บวชจงตัดที่ขันห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมมีการปฏิบัติจริงๆเขาจับกระโยน์ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากกาันคนละเธอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดัมพิสารีหมายา ก, ก, าการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคำสอนขององค์สมเด็จตะสุสวดที่ตรงกับคำสอนคำมภธยานิบบตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเอ็จอย่างไรเราจะยอมตายยึดถือกาลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งอยู่ในโคนโพกตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดในเลือดของเราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินรีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จรเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ถ้าไม่ยอมลกุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทําได้มาก็าทํากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จํำมาให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังถ้าพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปเสยเลยอย่ามาอยู่อย่า ม, มาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเ้าสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงยาอยู่ที่นี่นีเราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันก็ไปจับสังโยชนิสิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชนิสิบเป็นอารมณ์สังโยชนิสิบ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สามข้อเป็นพระโสดาเกบสิกขาค่ะ เราพิจารณาไข้กันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นทาสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาศริประธานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา คือกายภายในนี่คือกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลง ก, ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคําว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทําให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษท้ารันพอใต้แล้วเลอกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์ส ำ, สำคัญสำคัญคือตัดอเมริคม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขารรมาทมความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปบัญญัติคมเพี ย, ยงเท่านี้เราก็เป็นประสูตรดากสกิทธาคายยากเขาเปล่าอย่าฟุ้งกับตําราให้มันมากเกินไปตํารารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบบถามใช้ตําราหให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตําราเป็นเครื่องโอ้โอวดคน อ, อืจจนกก่นอาไปจายยากรรมทําให้เ่อนอ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมบาจ่าอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิงจะดีถ้าใจมันแข็งกันด่างมันเลวย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาต ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนบ้างที่จะเกิดกามารมณ์มีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจนี่นก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเนื่องมาจาเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงให้เ้าด่าเขาว่าเขานินทาก็ช่างมันเพาะอะไรขาาเขาด่าเ้าด่ากายเพราเห็นกายไม่ใช่เราหรือไม่ไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจซะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสไม่จะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตไม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอมตะก็ไม่คารมเท่านี้เราก็เป็นพระนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งการลมภายนอกทํางานทุกอย่างเพื่อสาธารณประโยชน์เราทําเพื่อพันิพยันที่เราทํานี่เราทําเพื่อไม่เกิดไม่ได้ทําเพื่อเกิดไม่เกิดทําทําไม ก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนจริงของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทำงานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ช่ากัต่างกันอะไรเป็นการตักความหลงปณิพานเลยนี่เพราะที่ทำงานในใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพาน์าง่ายๆไม่อยากไม่เห็นเมียอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอาราัตนผลอันนี้ก็ไม่ยากอีกไว้นั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรวก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆไม่แก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์แล้วดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทำไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นถึงมันมีสภาพเหมือนกันโซกัปบกโสมมและก็พังไปในที่สุดทราบสิ่งในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็่าหันก็ดูว่ากรมารูปราคะรูปราคะรูปใบชก็ดีรูปใบชยก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานและวรูปประชานนี้เราก็งโงเ่เต็มทีกินเลที่โองสมเด็จไปกินน้ำสีทรงให้ตัดยังมีอีกสามนอกจากรูปประชานและวรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นเราจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภาชนะสําหรับขี่เข้าโจมตีฆ่าศึก ข้าวสักที่ตีข้านานะั่นคือมานะความถือตัวถือ ต, อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือ ต, อตนมีไหมจําให้ดีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราได้เห็นว่ามันเลอะเทอะสุปกปรกหน้าเกลียดมันมีสภาพเป็นสจูแลว้วคํามาชมเราเราขาวมวติมว่าเราดา หน้าเบี้ยวหน้าบวชจมูกแบงตาบวชแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เขามไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นเขามันอย่างนั้นก็ช่างมันไปเลเราคำว่าเทียบเปรียบกับวันลนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุมีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติกูลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าโถอเอ้ยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนีย่ยังไปติดความทุกขอยู่มากก็เสียงทงลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมรณนะมันก็ไม่มีหายง่า ย, ายเพราะขอพู้อหญ่เหาะ ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหันต์อันนี่มันไม่มีอะไรเขาง่ายๆตอนนี้มาโอทจจาโอทจ่าที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลํา ม, มันเลยจิตมันติดอยู่ในกามชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไห้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขมันพ้นไปเท่าที่จึกษา ม, มันแล้วไม่ก็ไม่ยากเริม่มมาดูทีตัววิชาอวิชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกํำราคุยเรียนมามากๆมันเลอะโดยการท่องปวง ฟังเสียงพูดเห็นการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษสันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่ประทานนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแลว้วก็อัปิจายนกรรมมันก็ครอบถวนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขพัวคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพนันิพาณการไปพนันิพาณเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังใะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ เธอจะแก่ก็เคยแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกเวทนานก็ใดใดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปผนิพันธ์เธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการผผกพันกันอีกถือว่าเรามีสัญญาดา่าหยากันเด็ดขาด ฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช่ฉันได้แต่เพียชาตินี้ชาติเดียชาติต่อไปเธอกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปรอะหันาหาคิดแค่นี้หน่อยเดียเปรอะหันเป็นแน่นอนถ้าให้มันได้จริงๆ จ, จ, จะสักตวะวันคิดจะสักตวะวันนิด จงจําไว้ให้ดีแล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคําสอนก็องค์สมเด็จพระสังฆองสวัสดิ์ติโสภาที่จะสอนคนให้เป็นอรหันตนะ์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อต้นนี้ไปข้อสาวก็วข้องสมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มัน ทรงอธิยาบทตามอธิยาสายของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรันได้ภายในสามเดือนสองปี